เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอัดนักทำรรนักรู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นคลังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระครรลงของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงกระเติด เลิศโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอันใดท่านถึงได้ล่ำลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งม่เห็นล่ำลือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ทำไมล่ำลือทั่วโลกกรถาศัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ท่านล่ำลือทุกอย่างบรรดาวความดีทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลมันเรียกว่าครั้งแห่งพระธรรมดวงประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงขุดค้นได้มาก่อนใครทั้งหมดแล้วนําออกแจกจ่ายโลกแม้เช่นั้นโลกยังไม่เห็นสําคัญในธรรมดวงประเสริฐนั้น เห็นสำคัญอยู่แต่เรื่องไม่ประเสริฐที่กลุ่มอำนาจอยู่ภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจกายวาจาจึงเป็นไปตามเจ้าอำนาจนี้เสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ความต้องการสิ่งประเสริฐเลื่อนโลกก็สักแต่ความต้องการเพราะไม่ได้ดำเนินตามนั้นเพราะไม่ได้ฝืนสิ่งที่กลุ่มอำนาจไว้ภายในจิตใจของเรา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 แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทางจิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้าไม่ําเนินจากจิตใจก็ไม่มีทางดําเนินจิตใจถ้า ม, มีเหตุมีผลเป็นเครื่องนาเนินก็ไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องใคร่ครวนถึงเหตุ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 เมื่อเหตุดีแล้วผลต้องดีใครจะตำหนิดิติดเตียนวันยั่งคำขอตามหรือยกโลกธาตุมาตำหนิดติเตียนว่าทําชั่วไม่ได้ดีทําดีไม่ได้ทำทำทำชั่วได้ดีทําดีกลับได้ชั่วอย่างนี้ก็สักแต่คําพูดหรือความสําคัญของคนของผู้พูดผู้คิดนั้นเท่านั้นแต่หาได้เป็นไปตามความจริงนี้ไม่เพราะความจริงนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอะไรจะจยิงยิ่งกว่า ความกินดังที่กล่าวมานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนตามหลักความกิงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทาในแง่ใดไห่ว่าพระสูตรพระวินัยพระประมาติต้องแสดงตามหลักความกิงนี้เครื่อนคลาดนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงพยายามประพฤติธปฏิบัติตนและพึงคานึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอ แม่ไม่ได้มุ่งความเป็นอุิธิผ้าเหมือนอย่างพระองค์ก็าตามแต่ก็ควรคำนึงถึงความเป็นลูกศิษยตถาคตคือพุทธบริษัทได้แก่อุบาสกมิกาเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นค่าศึกต่อความดีเราก็ต้องฝืนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะต้องการความดี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 ดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานทีน่นี่หรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนไม่ได้ไอเรื่องเวลาเวลาจะมีมากน้อยเพียงไรก็าตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้ผู้กรรมอำนาจหรือผู้คุมอานาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปกินจนหมดไม่มีเหลือเลยจนกระทั่งโน้นหลักขณะขณะที่จะสิ้นลมหายใจนั น, นถึงจะปล่อย ไม่มีเวลาว่างเลยวันคืนปีเดือนมีอยู่เท่าเดิมปีหนึ่งมีสามร้อยหกิบห้าวันและวันคืนหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงก็ไม่มีว่างสําหรับธรรมชาติอันนี้จะไม่ยอมว่างให้ใครเลยกุมอํานาจอยู่ตลอดเวลาจนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปิดโอกาสให้ว่าเวลานี้ว่างยึงได้ตายนั่นเอเราน่าพิจนาไหมเรื่องเหล่านี้ มันน่าสรุดสังเวชไหมและสิ่งเหล่านี้เคยกดทวงเคยทรมานเคยทำให้เราได้รับความทุกข์มามากน้อยเพียงไรแล้วแต่แต่นานเท่าไหร่กดขี่บังคับอยู่ภ า, ายจในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไผ่แม้แต่จุดจิตใจเดือดร้อนวุ่นวาย จนขนาดหนักแทบโดไม่มีสติก็ว่าวันนี้ใจไม่ดีเลยแล้วไม่ทราบว่าไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุจะทำเป็นเหตุทาให้ใจไม่ดีก็คือธรรมชาติอันนั้นแหละแต่เราไม่อาจจะทราบได้ญึ ง, งต้องในอาศัยการอบรมให้ทราบว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไห น, น, นชั่วอันดีก็เป็นคุ้นแก่กจิตใจสิ่งที่ชั่วก็เป็นภัยต่อกิตใจ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 ไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างไรอนาคตไม่ต้องพูดก็คือพูดนี้แหะพูดเลื่อน้อยนี่เองจะไปเป็นอนาคตไม่ใช่อะไรจะไปเป็นเดีวสาวกท่านมีจำนวนมากน้อยเพียงไรท่านทำไมว่างได้ท่านทำไมฝืนได้คำว่าฝืนเป็นสิ่งสำคัญมากทำไมท่านฝืนได้กิเลสท่านเป็นกิเลสป ร, ระเภทใดท่านถึงฝืนได้กิเลสของเราเป็นประเภทใดถึงฝืนไม่ได้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 เป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับความทุกข์ความลาบากและบ่นเพ้ออยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ความบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้บ่นก็เอาตามความสําคัญของตนว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่ทางระบายออกแห่งทุกข์ความบ่นมันก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งด้วยกันเพราะทํางานนี่ยความคิดที่จะมาบ่นก็เป็นงานความบ่นออกมาก็เป็นงานและนอกจากนั้นยังทําให้คนอื่นรําคาญ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 ฝืนสิ่งไม่ดีของเราเป็นความชอบธรรมไม่ผิดฝืนได้มากได้น้อยเป็นศิริมงคลเป็นความดีประจำตัวของเราจนกลายเป็นนิสัยแห่งการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาผลสุดท้ายไอเรื่องสิ่งที่เราจะให้ฝืนนั่นก็เลยยอมจานนเราว่าจะไปไหนมีเหตุผลอย่างไรถึงต้องไปเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุผลนั่นทีเดียว สิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมากกีดขวางทางเดินของเรานั้นมันก็ค่อยล้มละลายไปล่มลายไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและได้ชัยชนะมาแล้วสิ่งนั้นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลําดับหนับจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยแล้วชนะจกนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีก น, นั่นนี่ความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่ เราต้องฝืนความชอบใจอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นนี่เป็นความถูกต้องถ้าเราจะด ำ, ดำเนินหรือทำไปตามความชอบใจความชอบใจนี้มีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ไม่มีนอกจากเหตุผลของกิเลสเท่านั้นซึ่งอะไรก็อ้างมาตามเรื่องของมันจนจนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุผลของธรรมผลที่จะพึงได้ผลที่พึงได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ความร้อนภายในจิตใจ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 การปฏิบัติตัวเองหรือการปฏิบัติศาสนายังเป็นความลำบากผิดธรรมดาอยู่บ้างถึงจะผิดธรรมดาก็ตามเราก็ทราบว่าวเราจะไม่ให้เป็นไปตามธรรมดาของจร่งต่ำของฝ่ายต่ำก็ต้องฝืนกันเมื่อฝืนครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปก็ได้ แล้วครั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่จะให้ฝูนก็อ่อนลงอ่อนลงความเข้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดำเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องเนี่ยนักธรรมะพระพุทธมีพระพุทธทยจ้าเป็นต้นท่านจงดำเนินอย่างนี้ทำไมท่านจะไม่ห็งไม่หวงไม่ห่ว ง, ไ ม, วงไม่ใยครอบกลัวจเจ้าเรือนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมี กิเลสเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นนด้นา น, านาครูของพวกเราสาวกทั้งหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธังสังขังสันนังกฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับเอาพุทธังธรรมสังขังสันนังกฉามิเข้ามาสู่จิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายโดยเมื่อคำหนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆว่า มีคุณค่ามากน้อยเพียงไรจิงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขี้เกียจอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เอา ม, มาสกรปรกด้วยทำไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนี่เป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลอันหนมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตุเข้าเข้าดเนินไปตามนั้นทำไมมันฝืน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 ถ้าว่าความทุกข์เรายังมีอยู่ภายในจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันยัง่งําทั้งที่ทั้งทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโลง่ลงๆนั่นแหละนี่นี่ยที่ว่ามันมันอยู่ที่จิตถ้าจิตต้องเรามีความปลอดโปรง่งโลง่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายเนอะอยู่ในถ้ำในเหวในกระถับปรตามอยู่ในต้นไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จําเป็นต้องคิดหาว่าโปร่งนั้นโปร่งนี้โล่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบาย ความสุขมันก็สุขอยู่อย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งต่ชาช้าเร็วสามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจนแหลกไปหมดผลและมันโยนให้เราเป็นคนรับทุกจะเป็นจะตายอยู่ภ า, ายจในจิตใจนี่คือผลแห่งความแ ห, แห่งสิ่งต่ําทั้งหลายที่มีอยู่ภ า, ายจในจิตใจไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผล ความสุขอาจจะไปหาที่ไหนนั่นก็เพียงผ่านไปผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นเห็นกันประสบมาผ่านชืวอขณะขณะขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่กีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นพณาจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่กีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัว เป็นอกุปปธรรมเป็นกิจใจที่ไม่กำเนิดเป็นความสุขที่ไม่กำเนิดไม่เปลี่ยนแปลงความนี้อยู่ที่นี่เนีย่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่พ่อย่างยิ่งการจิตตภาวนาเนีย่ยถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยทำพอเป็นพิธีดีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธีอืม แล้วเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนัเทีห้านาทีสินาที15้านาทีแทบล้มแทบตายเวลากิเลสเอาไปทันหลงทั้งวันทั้งคืนยังสนุกกับมันไปได้นันเห็นไหมกิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหน ม, มันกล่อมดีขนาดนั้นนะกลอมจนเคลิอมหลับ ไม่รู้สึกตัวเลยจะว่าไงแต่ทำไมนะักปรากท่านตำหนินะักพูกเราทําไมชอบนะี่ฮะชอบอะไรมันก็เจออันนั้นอชอบทำก็เจอทำชอบวิเล่ชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ได้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดำเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่น นี่เราแน่ใจแล้ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคาสังสอนที่ถูกต้องแน่นยังมาจากหลักแห่งสวขคาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วพยายามดําเนินตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวคาตธรรม ผลที่จะพึงได้รับจะเป็นที่พึงพอใจเราจะถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการดําเนินวิถีการคลองคลองขี้ก็ตามวิถีทางธรรมะที่จะให้เป็นความอบอุ่นอย่ากจิตใจก็ตามไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าพระได้ด้วยความฉลาดแหลมคมในอุบายวิถีป้องกันหรือรักษาตัว ทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายในพระพุทธเจ้าเป็นนักทุกอย่างนักปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระองค์หนึ่งนักปกครองด้านจิตใจก็เป็นอันหนึ่งนักปกครองคนทั่วๆ่วไปทางด้านจิตใจนี้ถึงสามโดกระถางเดี่ยวกปกครองสัตว์อุบายแนะนําสังสอสัตว์ถึงสามถึงได้ถึงสามโดกระถางไม่มี ศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพนันธุพานเราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพนันธุพานไปเคยได้ยินไหมนะไม่ได้ยินเพราะถึงที่นั่นแล้วเป็นสถานที่เพียงพอเช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้ว เพราะไม่ใช่รัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายหรือให้เป็นเพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบแถนแถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านหวัาท่านก็ยกนิทานขัวตาขึ้นมาเดินดไปในบ้านเขาเขานนบขึ้นบนบ้าน ตามนิมนต์ขึ้นบนบ้านก็คืนนิมนต์ขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่หัวตางนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาว่านิมนต์ข้างบนนิมนต์ข้างบนโดดขึ้นไปไปีนขึ้นไปขืนนู้นทันว่าอ๋อทํามาขึ้นไปโน้นล่ะนิมนต์ลงมากลงมาแล้วเปิดเลยแม่นั่งกับทางบ้านเขามาน่ะอันนี้มันเป็นอย่างไงสอนถึงนิพพานแล้วจะไปไหนอีก เมื่อจิตถึงนิพพานแนละ้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มผุนะ่มแล้วจะปีนขึ้นมานะไรอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานะปีนขึ้นบนเขื่อนนิพพานไม่มีขื่อนดิฮะนีป่ปีนขึ้นบนเขื่อนี่มวลลงโดดไปเลยเลยไม่ได้เลื่อนท่านวะตั้งขึ้นตั้งลองผิดเนี่ยคนไม่ใคร่ควรคนมาพิจารณาเถนกรงโกงจนเสื่อทันวะน่ะ ในวงปฏิบัติทั้งเรานี่มีไหมที่ปีนขึ้นขือ่อเยอะทันว่าฟังสินี่ที่พวกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้น่ะปีนขึ้นบนขื่อไม่ไปละตามหลักมรติมาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตัวนะนั่นพูดน่าฟังนะพวกบนขื่อทันว่าอย่างนั้นเป็นคติสาคัญ น, น่าฟังมากซึ้งฟังแล้วนีมันพูดถึงเรื่อง ผลไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพินิจรารณาเหตุผลว่าควรยังไงไม่ควรยังไงท่าเรียกว่าเห็นตรงคําว่าเห็นกลงนี้่บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาทเช็ดบาทเรื่อยแล้วท่านเอาบาทพามลงมาแล้วท่านส่องดูบาทให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาทนิทะลุตรงไหนมั่ง สองไปที่แจ้งคือสองสัปดาห์อาทิตย์แล้วมองไปต้งหากว่าบาทมีดรูทตรงไหนช่องไหนก็จะได้อุดนี่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาทก็ส่องเลยสองไม่ทราบเวลามามาถามแล้วส่องเพื่ออะไรก็เห็นครูเอาจารย์ท่านส่องนี้ไปเลยสองวันนี่บนขือ่อมันกันไม่ว่าท่านขึ้นบนขือ่อท่านขึ้นไปทําทุลาหน้าที่บนขือ่อ แต่เราขึ้นไปนั่งตรงมองอยู่บนขือ่อโดยไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยนั่นมีอะไรไม่ดีอยู่ข้างบนก็ไปซ่อมแซมเช่อนอย่างเราไปซ่อมแซมบ้านนั้นเราบ้านไม่ดีที่ตรงไหนก็ไปซ่อมแซมที่นั้นจะบนขื่อก็ไปเพราะเหตุผลมันอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะทําที่ตรงนั้นต้องไปทําแต่คัวตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขือ่ขอเฉยคราวนี้นิมนต์มาข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขือ่อเลยปีนขึ้นไปบนขือ่อ บนบ้านเขาไม่ยอมอยู่อ้าวขึ้นไปทาไมนิมนต์้องเหมือนนิมนต์ลงโดดลงไปเลยนั่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินจงกรมกันเดินแต่ไม่มีสติสตงังคิดเพลินจคัคิดคิดโศกหรือคิดเพินนะยุ่งไปหมดพออ อ, อ, อ, ออกจากทางยังกร ม, มาันมาวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบปะ เราเดินจงกรมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ไ ด, ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทําเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายพัวพันธุกรรมกิจตลอดเวลาเอาถ้ามานั่งภาวนานั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งกรุงนั่งยุ่งนั่งเยิ้มวุ่นไวายไปหมดแ hey, น, น, นี่นาฬิกามันก็ได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้นาทีเขาเห็นได้เรื่องอะไรนอนจะดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพี่นาจีนอนแล้วมันได้เรื่องแต่มันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเอง มันก็ไม่ได้มักผลนิพพานอะไรลงผวังหลวงหลับก็ไปแน่ไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสตามเหยียบย่าทําลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่าทําลายกิเลสมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีแต่กิเลสตามล่าตลอดเวลาพวกเรามันพวกกิเลสตามล่าเออว่างพยายามเอาตามล่ากิเลสนั้นที่นี่นะมันเป็นยังไงกิเลสฝืนนี่แหละฝืนตรงนี้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 เมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทําอาทําลงไปเป็นก็เป็นตายก็าตายทําไมโลกเขาทาหน้าเราทําไม่ได้โลกเขาทําไม่ตายแล้วทําไมเราทํามันตายตายก็ให้ตายป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งโน่นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทําสิ่งที่ถูกต้องในงามอย่างสงใจเธอน่านว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็เหมาะนี่เองมันจะไปไหนพ้นไม่มีอะไรที่จะมีอานาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องแก้กิเลสกิเลส ย, ยอมแต่ทำท่านั้นอย่างอื่นกินเลสไม่ยอมยิ่งความคล้อยตามเท่าไหร่กิเลสยิ่งจะพาให้เราร้องเพลงมันบางมันรื่นเริงรสนุกสนานอย่างไขณะที่ฟังเทศน์นี้จิตมีความสงบจิตอยู่กับตัวไหมถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาฟังท่านอธิบาย มันก็เข้า อ, อกเข้าใจไปโดยลําดับลําดับให้อยู่กับตัวนั่นแหละไม่จําเป็นต้องต้องส่งออกมาข้างนอกให้อยู่กับตัวธรรมะจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้แล้วสัมผัสกันได้เรื่อยจิตจะรับความสงบในขณะที่ฟังเมือ่อจิตสงบแล้วความสุขมันเกิดขึ้นเองจิตที่ที่ความสุขไม่เกิดความสุขไม่มีเพราะจิตไม่สงบจิตวุ่นอยู่ตลอดเวลาก่อกวนเรียนอยู่โดยสม่ําเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อย เพราะป้อนเหตุให้เรื่อยๆทา่านนว่าการฟังทมผลเนี่ยห้าประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมพองใสนะั่จิตจะพองใสได้จิตต้องอยู่กับตัวรับสัมผัสทมกระแสแห่งธรรมที่ทัานแสดงไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดว่าขาดตอนตั้งความรู้ไว้นั่นเท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิด <c oughs> เคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์คราวนี้เราต้องการจะให้รู้เห็นให้เข้าใจในอดในธรรมให้ธรรมเท่านั้นสัมผัสจิตใจเพราะใจสิ่งอื่นอื่นมาสัมผัสสมากมากกักองจนจะใจไม่เป็นใจของตอนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเลสตนาอสระเป็นจิตใจเปรตใจผีอะไรก็ไม่รู้หรอใจใจนรกอาวิกีไปหมดเพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามากก่อความวุ่นวายเวลานี้จใจเป็นภาชนะสําหรับรับธรรม ตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะอิต ก, ก็สงบสงบแล้วก็เย็นเพอจิตเย็นแล้วมันสบายตอนนั้นแหละคนเราเราหาความสบายไม่ใช่เหรือเราไม่หาความถดุนี่แหละจุดแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้พยายามระ ง, งับจิตอย่าคิดมากเกินไปความคิดมากไม่ใช่ของดีคิดมากๆไปจนจะมันจะเป็นบ้าก็มีทําเป็นยังไงเพราะเหตุไรที่เป็นงั้น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 ทุ่มกําลังลงไปนั้นจิตยอมจํานวนเองแล้วสงบตัวเห็นผลแล้วทีนี้อ๋อนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีแก่ใจที่จะต้องบังคับไปเองหรืเกิดความขราหานที่ต้องบังคับสุดท้ายจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลําดับนำดับมือไหนก็สบายแล้วมีทางยับยั้งตั้งตัวได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติสตังซึ่งเคยได้บําเพ็ญมาและเคยได้หลักเกณฑ์มาแล้ว นี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาการปกครองตนตามหลักศาสนาการพร่ำสอนตนตามหลักศาสนาดีกว่าการพร่ำสอนใครๆทั้ ง, งนั้นเมื่อสั่งสอนตนดีแล้วพูดคนให้คนอื่นฟังก็จับใจไพเราะถ้าตนยังเหลวพูดออกไปถึงจะนำธรรมพรทเจ้ า, าไปความเหลวของตนออกแสร้งไปด้วยมันก็ไม่น่าฟังมันเลยเหลวไปหมด ถา้าจิตใจมันเข้มขน้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มขน้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาเน่จะว่าไงมันออกประจักใจที่เป็นตัวการสําคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษากจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับจากการปฏิบัติมีกิจภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นกิจ นอกประเด็นหรืเป็นจิตพิเศษไปอะ้รนี่แหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีธรรมนี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปช่วการช่วยเวลาแล้วพอพักาจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความกิดัางถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตุอันเป็นสมมุตินี้ยิงขอยุติธราเพียงเท่านี้เทา